นี้ผู้ที่จะช่วยพาสัตย์ให้ข้ามพ้นนั้นถ้าเป็นผู้ไม่มีบุญทําอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยนะเป็นเรื่อเป็นเครียกว่าเป็นงานของผู้มีบุญเขาเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของผู้มีบุญหรือจะใช้คําว่าหน้าที่ก็ไม่ได้ใครไปบีบบังคับท่านนะแต่ด้วยใจกรุณาเนี่แหละที่กระตุ้นเตือนนะมุ่งจะปลดเปลื้องให้เขานั้นพ้นไปจากความทุกข์เพรา ะ, ะนั้นก็ต้องมีบุญสั่งสมบุญพอที่จะ ช่วยเหลือเข้าได้ผู้มีบุญท้าขาดปัญญาก็ทำไม่สำเร็จมันก็อาศัยปัญญานี่แหละสัตว์ทั้งหลายจะข้ามพ้นจากวัฏทุกเ์ราต้องอาศัยปัญญาพระองค์ก็ต้องสั่งสมปัญญาด้วยสั่งสมบุญด้วยทั้งบุญและปัญญานี่แหละที่จะช่วยให้พระองค์นั้นช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากวัฏทุกทีนี้ทั้งบุญและปัญญาก็สแสวงหาจากกายสุจริตวจีสุจริแล มโนสุดจริญพันธการประพฤติสุจริญทั้งหลายเหล่านี้ก็มาจากไหนก็ศีลสมาธิและปัญญาหรือว่าทานศีลหรือภาวนาพันธการประพฤติคุณงามความดีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะจริยาเหล่านี้ก็เพื่อสงเคราะห์ญาติทั้งหลายสงเคราะห์ ส, ะสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็เกื้อกูลต่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าจริยา3ประพฤติคุณธรรมข้อวัดะนะเพื่อจะสงเคราะห์ญาตสงเคราะห์โลกแล้วก็เกื้อกูลต่อความเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ต้องเป็นผู้ที่มีสังฆะวัตถุสประการทรงอนัทานติยาวาจาอัตเจริยาสมานตะตาแล้วก็ยังมีอธิฐานธรรมสี่ประการสัจจาทิฐานอุปสมาธิฐานจาคาธิฐานแล้วก็ปัญญาทิฏฐานแล้วก็ยังมี อ, อธิฐานธรรมสี่พุทธภูมิอีก4ประการเนี่ยนะอมมังคะปัญญาอาวัธนานะหิตเจริยา เรีว่าพุทธภูมิอีกสประการแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติอินทรีย์5หรือภละ5เต็มไปด้วยเรี่ยวแรงและภละกําลังเนี่ยนะนั้นท่านมีศรัทธานั่นแหละเป็นใหญ่มีศรัทธาเป็นใหญ่มีวิริยะเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นใหญ่ที่จะช่วยอ่ะ น, นะช่วยให้ตัวเองเนี่ยข้ามพ้นจากวัตทุก์จะได้ช่วยผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็จะต้องมีพละมีกําลังมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยนะ มีความบากบัน่นแต่ที่สําคัญจะต้องสามารถสละมหาบริจาคทั้ง5ประการได้นะบริจาคทรัพย์อวัยวะบริจาคทรัพย์บริจาค ร, ร, ร, ร, ราชสมบัติซึ่งอย่างเมื่ อ, อสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระองค์ก็บริจาคราชสมบัติเนี่ยบริจาคราชสมบัติเป็นพุทธบูชาก็เรียกว่ายว่าสมบัติในเขตประเทศชายแดนประเทศชนบทบ้านเมืองเล็กน้อยเลยพระองค์เนี่ยปกครองโลก ทั้งโลกนี่แหละแล้วเอาสมบัติทั้งโลกนั่นแหละเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะนนพระองค์ก็เรียกว่าต้องสละราชสมบัติแต่ว่าถึงราชสมบัติก็ไม่น่าจะเป็นที่รักเท่ากับบุตรและภรรยาก็สละบุตรภรรยาบุตรภรรยาก็ไม่ได้รักเท่ากับอวัยวะก็สละอวัยวะถึงอวัยวะก็ไม่ได้รักเท่ากับชีวิตพระองค์ก็ยังบริจาคชีวิตบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างสละทุกอย่าง น, นะเพื่อประโยชน์แก่โพธิยานจะได้ช่วยสัรพสัตว์ทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นจากข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งมวลนั้นกําจัดความตรหนีโดยสิ้นเชิงขจัดความริษยาโดยสิ้นเชิงเต็มไปด้วยคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นแล้วก็พระองค์นั้น น, นะก็ยังอยู่ในลักษณะว่าคุณธรรมที่เจริญยังไงก็ต้องส่งเสริมอัธยาศัยทั้ง6ประการ น, นะอโลภัธยาศัยอัธยาศัยมุ่งกําจัดความโลภ น, นะเห็นพิษภัยทุกโทษของความโลภ เจริญแต่ความไม่โลภคือคุณธรรมคือการกําจัดความโลภเห็นพิษภัยทุกโทษความเสียหายที่เกิดจากความโกรธแล้วก็เจริญคุณธรรมที่น้อมไปเพื่อกําจัดความโกรธที่เรียกว่าอโทสักนะเห็นพิษภัยทุกโทษนะพิษภัยที่เกิดจากโมหะทั้งหลายพระองค์ก็เจริญคุณธรรมเพื่อกําจัดโมหะเรียกว่าอโมหะอั้นผู้ที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะ เพื่อออกจากภพเรียกว่าเนกข ม, มะเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเขาเรียกว่าวิเวกัตถยาศัยแต่ที่สําคัญเพื่อที่จะบอกคืนวัตตะบอกไม่เอาแล้วนะบอกเพื่อจะสละคืนวัตตะก็เมหาพูดก็จงเป็นมหาพูดต่อไปเถิดรูปเวทนาของก็จงเป็นขันธธาตุอายตนะต่อไปเถิดบอกสละคืนตัดเยื่อใ ย, ยอะไราในวัตตะเหล่านี้โดยประการทั้งปวงด้วยนิสรณัตถยาสัย พระโพธิสัตว์เนี่ยนะทุกพระองค์ก็ต้องมีปฏิญญาอย่างที่ว่าปฏิญญาทั้งหมดก็เพื่อที่จ ะ, ะช่วยตัวเองให้ข้ามแล้วก็จะได้นําสัตว์ให้ข้ามเป็นต้นเนี่ยนะวันสิ่งที่ท่านตรึกนั้นสิ่งที่ท่านคิดจึงคิดเป็นความคิดที่เป็นไปกับกุศลทั้งหมดเนี่ยนะความคิดของท่านจึงเป็นบาปเพื่อที่จะ ทำให้แทงตลอดโพธิญาณต่อไปในอนาคตเพราะว่าโยนิโสเพราะเบื้องพื้นฐานเบื้องต้นของท่านเป็นผู้ที่ อ, อยู่ด้วยโยนิโสมนาสิการใคร่ครวนเพื่อให้เกิดปราโมทปีติปัสสัติสมาธิย่าถาภูตยานเป็นพื้นฐานบาดฐานแห่งนิพพิธาและวิราคานะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่เจริญทั้งบุญกิริยาวัตถุ10ประการโดยไม่มี ส่วนเหลือแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกพระโพธิสัตว์เหล่านั้นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ที่สําคัญมากก็คือบารมีทั้ง10บําเพ็ญอย่างไม่มีส่วนเหลือจนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์เนี่ยนะเมื่อบริบูรณ์อย่างนั้นเส้นทางของชีวิตของท่านก็เดินด้วยมงคลตลอดมาเนี่ยนะปฏิบัติตามแนวของมงคล38จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเว้นไว้แต่ชาติใดที่ไปเกี่ยวข้องกับคนพานชาตินั้นก็เปื้อนบาปมา บาปที่ไปคบกับคนพาลบาปอันนั้นก็เปื้อนมาถึงศาสนาตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเปื้อนมาถึงบางชาติพระองค์เคยฆ่าสัตว์กรรมเหล่านั้นก็ติดตามมาเล่นงานพระองค์ตอนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางชาติพระองค์เคยไปส่ อ, สอเสียดยุแยงตะแคงรั่วบาปอันนั้นก็ติดตามมาให้ผลแม้แต่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าวันบาปเลยล้าอย่างเช่นมิจฉาวาจาไปด่าพระอรหันต์เป็นต้น บาปเหล่านั้นก็ติดตามมาให้ผลจนเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้าเพระะนันก็อาจจะมีบาปมาแทรกบ้างครั้งคราววิบากที่เกิดจากการเบียดเบียนสัตว์ก็ทําให้พระองค์เจ็บป่วยบ้างเป็นครั้งคราวเพราะฉนั้นแต่ว่ารวมรวมแล้วพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระคุณคู่ควรแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอาจจะอกุศลให้ผลบ้างแต่ก็ชื่อว่าเล็กน้อยเนี่ยเล็กน้อยแต่ว่าอากุศลให้ผลได้เฉพาะในส่วนของร่างกาย อกุศลเหล่านั้นเบียดเบียนจิตใจของพระองค์ไม่ได้เลยอกุศลทั้งหลายเบียดเบียนศีลของพระองค์ไม่ได้อกุศลทั้งหลายเบียดเบียนสมาธิปัญญาวิมุตติยานรัตฐานะเบียดเบียนสัพพัญญุตญาณของพระองค์ไม่ได้อกุศลเหล่านั้นไม่ได้สามารถที่จะเบียดเบียนกรุณาของพระองค์เลยอกุศลวิบากที่ให้ผลแก่พระองค์นั้นไม่ได้เบียดเบียนให้พระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยในการสงเคราะห์สัตว์เหล่าอื่นเลยนะเพราะก็บําเพ็ญคุณธรรมเหล่านั้นจน บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วนะซึ่งพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้เจริญคุณธรรมนั้นแต่ละชาติแต่ละภพเนี่ยนะที่เวียนว่ายท่องเที่ยวไปในวัดตะก็เจริญกุศลหาประมาณไม่ได้มันกระแสะแห่งบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์เจริญนั้นหลั่งไหลยิ่งกว่าเนี่ยนะบุญเนี่ยนะถ้าถ้าเปรียบเหมือนกับเม็ดฝน ที่ตกลงมาในโลกบอกว่าบุญที่พระโพธิสัตว์เจริญกว่านั้นหลายล้านเท่านักเหมือนอย่างบุญบารมีที่เราเรียนรู้เนี่ยนะที่พบอยู่ในคำภีร์บุญเหล่านั้นเนี่ยน ะ, ะผู้ทรงพระตรีปิฎกท่านหนึ่งกล่าวว่าก็เหมือนกับถาดน้ําในภานเท่านั้นเองเหมือนกับน้ําในแก้วน้ําแก้วเดียวในจํานวนน้าทะเลทั้งหมดเนี่ยนะหรือเหมือนกับอากาศท้องฟ้าที่เรามองเห็นก็เป็นอากาศที่น้อยนิดถ้าเทียบกับ อากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลโลกที่เราอยู่เนี่ยถือว่าฝุ่นเป็นฝุ่นเล็กน้อยในจํานวนจั ก, กรวาลหรือกาแล็กซีเนี่ยนะโลกของเราเนี่ยมันถ้ามองจากระดับใหญ่ๆมาเนี่ยมันฝุ่นชัดๆเลยนะมันนิดเดียวเนี่ยนะกลุ่มกลุ่มดวงดาวที่เราอยู่ดาวโนบะเคราะห์ดวงนี้เนี่ยนิดเดียวจริงๆแต่ถ้าเรามองตัวเราเองในระดับโลกเรานี่มันแหม ม, มันไม่รู้จักอะไรนะยิ่งกว่อาอะตอมในโลกเองงั้นมันเล็กมากๆเลยนะ นิดเดียวแต่ว่ากิเลสมันไม่ค่อยยอมแค่นั้นแหละนะกิเลสมันไม่ค่อยยอมที่สําคัญเนี่ยนิดเดียวจริงๆเลยนะมันถ้าเราท่องเที่ยวไปในโลกขับรถในโลกถ้าเราเห็นหมดไต่มะม่วงนะแม้มดไต่มะม่วงมันยังใหญ่กว่าของเรานิดเดียวเนี่ยนะเหมือนกาาับไรตัวอะไรตัวเล็กๆที่ขยับเขยื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนมาแค่นั้นเองนะนะตัวนิดเดียวเนี่ยนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยฉันใด อย่างโลกทั้งโลกนี่ก็ถือว่าเล็กน้อยถ้าจะเทียบกับจักรวาลที่หาที่สุดมิได้บุญกุศลคุณงามความดีที่พระโพธิสัตว์เจริญอย่างที่เราพบเห็นเรียนรู้เนี่ยถือว่าเล็กน้อยที่ไม่ได้เอามากล่าวมีมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่อวดพระองค์เองอย่างก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าชาตินั้นทําอะไรบ้างหนึ่งของสา่างมากนิดหน่อยพอแล้วนะที่เหลือเล่าให้ฟังเล็กน้อยว่าท่านคิดอะไรแต่ว่า ที่ท่านไม่บอกไม่เล่าไม่กล่าวให้รู้เนี่ยมีมากกว่าบอกทําไมเพราะมันไม่ได้ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ในหลายๆกรณีพระองค์จะไม่เล่าถ้าไม่ช่วยเขาจริงๆถ้าช่วยเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยพระองค์จะไม่เล่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าโอ้อวดที่เรียกแล้วก็มีอะไรก็มาเล่าให้คนอื่นฟังให้หมดเลยไม่ใช่คนกลุ่มนั้นแต่จะเล่าเฉพาะอะไรที่จะช่วยเขาได้ถ้าช่วยเขาได้แล้วพระองค์ก็อําลาไปเนี่ยนะพระองค์ก็จากไปพระองค์ทํากิจเหมือนกับ อะไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับเมฆพระธรรมที่พระองค์สอนเหมือนกับน้าฝนเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับน้าฝนที่มาจากเมฆเมฆเหล่านั้นก็หายไปอันตรธานไปฉันใดพระพุทธเจ้าเมื่อบำเพ็ญพระพุทธกิจทั้งมวลก็เช่นนั้นพระองค์เช่นกับเมฆที่หลังน้ำฝนเนี่ยนะมันสัตว์ประสาททั้งหลายได้ความสงบร่มเย็นพระองค์ก็สุขโตเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะ ไปเพื่อเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ดับขันธะปรินิพานพูดถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศีพระองค์นั้นมีพระนครเป็นที่เกิดเชื่อว่าเมืองสุทัญญาพระชนกพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุทัตตะพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุจันทา พระองค์ครองคารวาตวิสัยอยู่ 9,000 ปีมีปราศาสตรอยู่3หลังชื่อว่าสุนิมละแล้วก็วิมละและคริขคหามีพระสนมนารีที่แต่งกายงาม 30,000 นหนึ่ง0 0นนางเนี่ย น, นะก็คือเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่คอยดูแลบำรุงอยู่นั่นนะอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิมลาพระโอรสพระนามว่ากัญ น, นาเวระ พระผู้เป็นอุดมบุรุษเนี่ยนะสูงสุดอะไรว่าอคโคห์มัสเมพระผู้เป็นยอดของบุรุษอันนอุตมะบรุษสูงสุดในบรรดาบุรุษทุกทุกทกโลกเนี่ยนะในสัตว์สองเทา้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเทา้าตลอดจนถึงอรูปประพรหมทั้งมวลเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นยอดของบุรุษเห็นนิมิตสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เสด็จออกพินิสกรมด้วยยานคือรถเนี่ยนะนั่งรถไปบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรหเดือน นะลงเรื่องนั่งอะไรไปบวชโอไม่ธรรมดานะเนี่ยแมงแอร์ภูเก็ตไปบวชเหมือนกันไปที่เดียวกันนะไม่รู้ผลลัพธ์จะเหมือนกันหรืออะไรเรื่องเล<ม>พระมหาวีระปิยทัศนศีมหาหมุนีเนี่ยนะผู้มีโมเนยธรรมผู้ยิ่งใหญ่ในบรรดาผู้ที่มีโมเนยธรรมผูท้ที่มีปัญญาตรัสรู้ผู้สงบอันเท้ามหาพรหมาราธนาแล้ว พระองค์ประกาศพระธรรมจักรณอุสภราชอุทยานที่น่ารื่นรมพระปิยัธศีศาสดามีพระอัคระสาวกชื่อว่าพระปาริตะและก็พระสัพพทศีเนี่ยนะอัคขระสาวกผู้เป็นมีปัญญารองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพุทธอุปถาค่ะนะคอยบำรุงพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระโสพิตะอัคระสาวิกาชื่อว่าพระสุชาดาและก็พระธรรมทินนา โพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นกัคขะต้นกลุ่มอัคราอุปถากชื่อว่าสันทกะและธรรมมิกะอัคราอุปทายิกาวิสาขาและธรรมมินาชื่อพ้องหลายๆท่านก็นชื่อคล้ายๆกับบุคคลในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้มีพระมหาปุริลสลักษณะ32พระองค์นั้น สูงประมาณ80ศอกเห็นกันชัดเหมือนพญาสาพรพฤกเหมือนว่าในสวนอยู่สวนหนึ่งมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นใหญ่จะมองเด่นเห็นชัดฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์มีรัศมีส่องอ่นะมีรสมัรสมีขอยรัสมีที่เปล่งแสงออกมาจากดวงไฟรัสมีแสง ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์รัศมีเหล่านั้นก็หาเหมือนกับรัศมีของพระปิยทศรีพระองค์ผู้ไม่มีผู้เสมอพระองค์ผู้สแสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นไม่นะเปรียบว่าแสงที่จากพระวรากายรัศมีฉับพรันรังศรีที่เปล่งออกจากพระวรากายยากที่จะหาลำแสงแสงชนิดใดใในโลกจะมาเปรียบได้พระผู้มีจักสุพระองค์นั้น ดำรงอยู่ในโลก9 0้า0นปีเนี่ยนะมีพระชนมายุยืนมากเนี่ยนะ้าหมื่นปีแม้พระองค์ผู้เป็นเทพแห่งเทพก็มีพระชนมายุยืนเท่านั้นก็คืออ่นะเศษ4ีส่วนห้นั่นเองเอนะดำรงอยู่ในโลกเศษ4ีส่วนหของ 90,000 ปีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะพูดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอก็ดี โคอัคราสาวกไม่มีผู้เปรียบได้เหล่านั้นก็ดีทั้งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้งมวลเหล่านั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พระปิยทัศีวรมุนีก็คื อ, คอพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีผู้ประเสริฐเสด็จดับขันท ป, ปรินิพานณพระวิหารอัตธารามชินสถูปเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้น ณวิหารนั้นก็สูงสามยอดแหลเป็นพระาธาตุที่ใหญ่มากเนยนะในอัตถกถามทัทรัฐวิลาสินีอัตถกถาพุทธวงศ์พรนนาขยายความเพิ่มเติมจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศสีองค์ที่ส3บสามที่พยากรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่า ต่อจากสมัยพระสุชาติพุทธเจ้าในกัป1ถอยหลังจากนี้ไปในที่สุด 1,800 กัป น, นะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3พระองค์ด้วยกันในกัปนั้นองค์ที่1พระปิยะทะัศนีองค์ที่สองอัฏฐทะัศนีองค์ที่สพระน า, วามวรรมทะัศนีในพระพุทธเจ้าสาพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยะทะัศนีทรงบำเพ็ญบารมีแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ก็เช่นกับพระเวสสันดรจุติจากนั้นพระองค์ก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางจันทาเทวีผู้มีพระพักสมเสม็ดวงจันนะนะเรียกว่ารอยเด่นนะพนางจันทาเทวีดูเด่นคล้ายกับดวงจันนะนะงามอัครมเหสีของพระเจ้าสุทัตตะกรุงสุทัญยวดีพระโพธิสัตว์อยู่ในครันกําหนดครบถ้วน10เดือนก็ประสูติจากพระคันของพระชนนีณวรุณ ราชุทยานก็เหตุการณ์ก็หมื่นโล ก, กธาตุวันไว้หวนะกาชาติเขตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหลังจากนั้นวันเฉลิมพระนามขานชื่อพระองค์เรียกชื่อตั้งชื่อพระโพธิสัตว์พระชนกพระชนนีก็เฉลิมพระนามพระองค์ว่าปิยทศีเพราะว่าเห็นปาฏิหาริย์วิเศษอันเป็นที่รักของโลกปาฏิหาริย์แต่ละอย่างในน่ารักทั้งหมดเลย ก็เลยอาศัยปาฏิหาริย์นิมิต32ประการซึ่งเป็นนิมิตเป็นที่รักแห่งโลกก็เลยเรียกพระองค์ว่าพระปิยทศีพระองค์ครองคารวาะวิสัยอยู่ประมาณ 9,000 ปีมีปร า, าสาท3หลังสุนิมมะละวิมละและคริปคิริพระหาพระองค์นั้นปรากฏสนมนารีผู้เป็นบริวารคอยดูแลบำรง 3, 000, 000งุงสามหมื่นสามพังมีพระนางวิมลามหาเทวีเป็นประมุก พระนางวิมาลามหาเทวีก็ถือว่าเป็นคนงามที่สุดในโลกในยุคนั้นเนี่ยนะเมื่อพระองค์นั้นมีพระรถพระนามว่ากันจนะเวละราชโอรสของพระนางวิมาลาเทวีเนี่ยนะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์พระองค์นั้นก็เห็นนิมิตสีส่ประการเห็นหน้าลูกออกบวชนี้เป็นธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลา ย, น, ยนะถ้าเป็นธรรมดาก็ทําใจไม่ได้นะ มียอมคนนึ่งเขามีลูกออกแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบวชพอบวชอยู่นานไม่กี่วันฮะก็ไปเห็นลูกแม่ไก่แม่ไก่มันพาลูกมันเดินนะนะบอกว่าไก่เนาะไก่มันยังเลี้ยงลูกมันได้เลย้เรานี่เป็นคนสัเปล่าไม่เลี้ยงลูกคิดได้อย่างนี้ศึกเลยนี่ยนพะพอได้อาจารย์ไก่บวชในศาสนาพุทธเจ้าแต่นับถือไก่ก็เลยเอาเยี่ยงยางเอาจเจรินรอยตามไก่ก็เลยอดเลยกันเนี้ นะอย่างนี้ก็มีในโล ก, กนะในฝ่ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะออกมาหาพิเนสกรมด้วยรถเทียมมาผนวดเนี่ยนะนั่งรถเทียมมานะเรียกหลังนั่งรถมานึกไม่ออกก็ไปดูแถวลำตางก็แล้วกันไปดูที่เขาขิจกูลก็ได้รถมาแต่มาของพระโพธิสัตว์คงสวยมากนะไม่ใช่แบบมาเขาขี้จกูดอะไรหรอก ตอนที่พระองค์ผนวตนั้นก็มีบุรหนึ่งโกรธบวชตามพระมหาบุรุษอันชนโกรธหนึ่งแวดล้อมแล้วด้วยพระองค์นั้นเนี่ยบำเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปักขยธรรมเจริญสมถะวิปัสนาอยู่6กเดือนไอ้คำว่าบำเพ็ญเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเล ย, เ น, ยนะไปดูในประธานสูตรสูตรที่พระองค์บำเพ็ญเพียรเนี่ยนะร่างกายจะเศร้ามอง พร้อมไปเช่นใดแต่สมถาวิปัสนาของพระองค์นี้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ใช่ไม่มีคุณธรรมอะไรไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะจิตใจยิ่งผ่องใสขึ้นด้วยซ้ำไปไนะะองค์บอกว่าถึงร่างถึงเลือดมันจะเหือดแห้งไปร่างกายมันจะค่อยๆสูบสูบสูบสูบไปผิวพันธุ์จะมองคล้ำไปอะไรไปแต่จิตใจเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไป ศรัทธาเจริญขึ้นวิริยะเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นจิตใจตั้งมั่นขึ้นปัญญางอก ง, งามเจริญยิ่งขึ้นน้อมไปเพื่อสันติวรบทน้อมไปเพื่อพระนิพพานไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรแต่ว่าตอนหลังท่านก็รู้ว่าการที่ทำให้ร่างกายอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่สัปพายะไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็กลับมาเสวยซึ่งถึงพระองค์จะทรมานตัวหรือ สเสวยอาหารสมถาวิปัสนาที่พระองค์เจริญก็ไม่ได้ลดลงอะไรเลยก็ยังเจริญเช่นเดิมคงเดิมเนี่ยนะเพราะอย่างนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็บำเพ็ญเพียรหเดือนในวันวิสาขบุรมีสเสวยข้าวมาทุ ป, ปายาที่ที่ดาของวสภพรามบ้านวรุณะนะบ้านวรุณพรามถวายแล้วทรงยับยั้งพักกลางวันอยู่นะสารวัน พระองค์รับย่าแปดกรรมที่สุชาตะอาชีวกถวายแล้วเสด็จไปยังโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่ากักกุทะต้นกลุ่มโปร่งก็ล่าสัมทัดยา่ากว้างได้ประมาณห้าสิบสามศอกประทับนั่งขัดสมาธิแทงตลอดสัพพันยุตยาแปลงพระอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้นโปร่งก็ยับยั้งอยู่บริเวณโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ละเวกนั้นประมาณ7สัปดาห์ พระองค์ก็ทรงทราบว่าผู้ที่บวชกับพระองค์นั้นสามารถมีคุณธรรมคู่ควรจะแทงตลอดอริยธรรมได้ผู้ที่ออกบวชพร้อมกับพระองค์นั้นสามารถที่จะแทะลงแทงตลอดอริยศีลสามารถที่จะแทงตลอดอริยสมาธิอริยปัญญาหรือคู่ควรที่จะแทงตลอดอาริยสัตย์กำหนดรู้กองทุกข์ละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งปฏิบัติในอรารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ได้ เขาเป็นผู้เป็นพุทธเวไนคู่ควรที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระองค์งก็เลยไปณนะที่นั้นทางอากาศลงที่อุสภะอุสภาวดีราชอุทยานใกล้กรุงอุสภาวดีอันภิ่สุโกฏหนึ่งแวดล้อมแล้วประกาศพระธรรมจักครั้งนั้นทำมาพิสมัยการตรัสรู้อริยศัสตร์ได้มีแก่สัตว์ประมาณแสนโกดอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่หนึ่ง